ความเลื่อมใสศรัทธาต่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นถ้าใช้ให้ถูกต้องคือเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยให้ก้าวหน้าต่อไปก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีข้อเสียเพราะมักจะกลายเป็นความติดในบุคคลและกลายเป็นอุปสรรค บ, บั่นทอนความก้าวหน้าต่อไปข้อดีของศรัทธาภาษาธะนั้นเช่น อริยาสาวกผู้ใดเลื่อมใสอย่างยิ่งนแน่วแน่ถึงที่สุดในตถาคตอริยาสาวกนั้นจะไม่สงสัยหรือแคลงใจในตถาคตหรือศาสนาคือคําสอนของตถาคตแท้จริงสําหรับอริยาสาวกผู้มีศรัทธาเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเข้าจักเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเพื่อกําจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย และบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้พร้อมบู์จักเป็นผู้มีเรี่ยวแรงบากบั่นอย่างมั่นคงไม่ทอทุระในกุศลธรรมทั้งหลายส่วนข้อเสียมีดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อเสียห้าอย่างในความเลื่อมใสบุคคลมีดังนี้คือ 1. บุคคลเลื่อมสายยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงยกวัดวัดในที่นี้คือวัดสะกดด้วยต่อเต่ารอเรือนะครับบุคคลนั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงยกวัดเขาจึงคิดว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงยกวัดเสียแล้วสอง บุคคลเลื่อมสายยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงบังคับให้นั่งณนะท้ายสุดสงเสแล้วและโดยในยติเดียวกัน 3. บุคคลนั้นออกเดินทางไปเสียที่อื่น 4. บุคคลนั้นลาสิกขาเสีย 5. บุคคลนั้นตายเสีย เขายอมไม่คบหาภิกษุอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นก็ไม่ได้สนับสัตยธรรมเมื่อไม่ได้สนับสัตยธรรมก็เสื่อมจากสัตยธรรมเมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเป็นความรักข้อเสียในการที่ความลำเอียงจะมาปิดบังการใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นอีกเช่น ภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการ น, นี้ย่อมเกิดขึ้นได้คือความรักเกิดจากความรักโทสะเกิดจากความรักความรักเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากความรักอย่างไรบุคคลที่ตนปรารถนนารักใคร่พอใจถูกคนอื่นประพฤติต่อ ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจดังนี้เขาย่อมเกิดโทสะในคนเหล่านั้นแม้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระศาสดาเองเมื่อกลายเป็นความรักในบุคคลไปก็ยอมเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นหรืออิสระทางปัญญาในขั้นสูงสุดได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ลาเสีย แม้บางครั้งจะต้องใช้วิธีค่อนข้างรุนแรงก็ทรงธรรมเช่นในกรณีของพระวักกลิซึ่งมีความเลื่อมสายศรัท ธ, ธาในพระองค์อย่างแรงกล้าอยากจะติดตามพระองค์ไปทุกคหนทุกแห่งเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดได้เห็นพระองค์อยู่เสมอในระยะสุดท้ายเมื่อพระวักกลิป่วยหนักอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าส่งคนไปกราบทูลพระองค์ก็เสด็จมาและมีพระดารั เพื่อให้เกิดอิสรภาพทางปัญญาแก่พระวักกลิตอนหนึ่งว่าพระวักกลิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลานานนักแล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเฝ้าเพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกําลังเพียงพอที่จะไปเฝ้าเห็นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าอย่าเลยวักกลิ ร่างกายอันจะเน่าเปื่อยนี้เธอเห็นไปจะมีประโยชน์อะไรดูก่อนวักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมนั่นแหละวักกะลิจึงจะชื่อว่าเห็นเราเมื่อเห็นเราก็คือเห็นธรรม นอกจากนี้ความก้าวหน้าเพียงในขั้นศรัทธายังไม่เป็นการมั่นคงปลอดภัยเพราะยังต้องเนื่องอาศัยปัจจัยภายนอกจึงยังเสื่อมถอยได้ดังพุทธพจน์ว่าดูก่อนพัฒนาสิเปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียวพวกมีสหายญาศสาโลหิตของเขาเพึ่งช่วยกันรักษาตาข้างเดียวของเขาไว้ด้วยคิดว่า อย่าให้ตาข้างเดียวของเขานั้นต้องเสียไปเลยข้อนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวิไนั์นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเธอพระพฤติปฏิบัติเพียงด้วยศรัทธาเพียงด้วยความรักในกรณีนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมดำริกันว่าภิกษุรูปนี้พระพฤติปฏิบัติอยู่เพียงด้วยศรัทธาเพียงด้วยความรักพวกเราจะช่วยกันเร่งรัดเธอ ย้ำแล้วย้ำอีกให้กระทำการโดยหวังว่าอย่าให้สิ่งที่เป็นเพียงศรัทธาเป็นเพียงความรักนั้นเสื่อมสูญไปจากเธอเลยนี้แหละพัธาสิกือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้ต้องคอยช่วยกันเร่งรัดภิกษุบางรูปในศาสนานี้ย้ำแล้วย้ำอีกให้กระทำการ สำพังศรัทธาอย่างเดียวเมื่อไม่ก้าวน้าถึงขั้นปัญญาต่อไปตามลำดับย่อมมีผลอยู่ในขอบเขตจำกัดเพียงแค่สวรรค์เท่านั้นไม่สามารถให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้ดังพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วซึ่งเป็นของง่ายเปิดเผยประกาศไว้ชัดไม่มีเงื่อนงาใดๆอย่างนี้สาหรับภิกษุ ผู้เป็นอรหันตขีนาศย่อมไม่มีวัด ต, ตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปภิกษุที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าได้แล้วย่อมเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในโลกนั้นภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้แล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบ า, บางย่อมเป็นสกาทาคามีภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้ย่อมเป็นโซดาบัน ภิกษุที่เป็นธรรมานุสารีเป็นศรัทธานุสารีย่อมเป็นผู้มีสามโพธิเป็นที่หมายผู้ที่มีเพียงศรัทธามีเพียงความรักในเราย่อมเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่หมายในกระบวนการพัฒนาปัญญาที่ถือเอาประโยชน์จากศรัทธาอย่างถูกต้อง ปัญญาจะเจริญขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นญานณทัศนะคือเป็นการรู้การเห็นในขั้นนี้จะไม่ต้องใช้ความเชื่อและความเห็นอีกต่อไปเพราะรู้เห็นประจักษ์กับตนเองจึงเป็นขั้นที่พ้นขอบเขตของศรัทธาขอให้พิจารณาข้อความในพระไตรปิฎกต่อไปนี้ถามท่านมุสิละ โดยไม่อาศัยศรัทธาไม่อาศัยความถูกกับใจคิดไม่อาศัยการเรียนรู้ตามกันมาไม่อาศัยการคิดรองตามแนวเหตุผลไม่อาศัยความเข้ากันได้กับการทดสอบธธสด้วยทฤษฎีท่านมุสิละมีปัจจตยานคือการรู้จำเพาะตนหรือว่าเพราะชาติเป็นปัจใจจารามรณะจึงมีตอบว่าท่านประวิทธ ผมย่อมรู้ย่อมเห็นข้อที่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมรณะจึงมีนี้ได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาความถูกกับใจคิดการเรียนรู้ตามกันมาการคิดรองตามแนวเหตุผลความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎีเลยทีเดียวและจึงถามตอบผัวข้ออื่นๆในปฏิจจสมุปบาท ต, ตามลำดับทั้งฝ่ายอนุโลมปฏิโลมจนถึงภวะนิโรธเป็นนิพพาน อีกแห่งหนึ่งว่าถามว่ามีปริยายบ้างไหมที่ภิกษุจะใช้พยากรอรหัตผลได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาไม่ต้องอาศัยความถูกกับใจชอบไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามกันมาไม่ต้องอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผลไม่ต้องอาศัยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎีก็รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วโรมอาจา ร, รย์อยู่จบแล้ว สิ่งอื่นที่ต้องทําเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีอยู่อีกตอบว่าปริยายนั้นมีอยู่คือภิกษุเห็นรูปด้วยตาย่อมรู้ชัดซึ่งราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในตัวว่าราคะโทสะโมหะมีอยู่ในตัวของเราหรือย่อมรู้ชัดซึ่งราคะโทสะโมหะที่ไม่มีอยู่ในตัวว่า ราคะโทสะโมหะไม่มีในตัวของเราถามว่าเรื่องที่ว่านี้ต้องทราบด้วยศรัทธาหรือด้วยความถูกกับใจชอบหรือด้วยการเรียนรู้ตามกันมาหรือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลหรือด้วยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎีหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้น ถามว่าเรื่องที่ว่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาจึงทราบมิใช่หรือตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะสรุปนี้ก็เป็นป ร, ริยายหนึ่งที่ภิกษุจะใช้พยากรณอรหัตผลได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาและจากนั้นถามตอบไปตามลำดับอายตนะอื่นๆในทํานองเดียวกันจนครบทุกข้อ เมื่อมีญาณทัศนะคือการรู้การเห็นประจักษ์แล้วก็ไม่ต้องมีศรัทธาคือไม่ต้องเชื่อต่อผู้ใดอื่นดังนั้นพุทธสาวกที่บรรลุคุ ณ, ณวิเศษต่างๆจึงรู้และกล่าวถึงสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเชื่อต่อพระศาสดาเช่นได้มีคําสนทนาถามตอบระหว่างนิครนทนาตะบุตรกับจิตตะเข้าเรหาบดีผู้เป็นพุทธสาวกฝ่ายอุบาสก ที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในพุทธธรรมมากดังนี้นิครนกล่าวว่าแนทท่านคฤหาบดีท่านเชื่อพระสมณโคโดมไม่ว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารณ์ได้มีอยู่จิตตังครหาบดีตอบว่าในเรื่องนี้ ข้าพระเจ้าไม่ได้ยึดถือด้วยศรัทธาไม่ได้เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารณ์ได้มีอยู่ข้าพเจ้านี้ทันทีที่มุ่งหวังก็เข้าปฐมฌานอยู่ได้เข้าทุติยฌานอยู่ได้เข้าตติยฌานอยู่ได้เข้าจตุทถฏฐฌานอยู่ได้ ซึ่งสมาธิตั้งแต่ทุติยาชานเป็นต้นไปคือชานที่สองเป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารข้าพเจ้านั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงไม่ยึดถือด้วยศรัทธาต่อสมณะหรือพรามผู้ใดๆว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจาร์ได้มีอยู่ ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระอระหันต์ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเป็นญาณทัศนถึงที่สุดจึงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าอสัท ธ, ธะซึ่งแปลว่าผู้ไม่มีศรัท ธ, ธาคือไม่ต้องเชื่อต่อใครๆมีเรื่องที่ตนรู้เห็นชัดด้วยตนเองอยู่แล้วดังจะเห็นได้จากพุทธดำรัสสนทนากับพระสารีบุตรว่าสารีบุตร เธอเชื่อไม่ว่าสัตว์ยินทรียีที่เจริญแล้วประทับให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หมายมีอมตะเป็นที่สิ้นสุดตรัสถึงวิริยินทร์สีสตินทร์สีสมาธิินทร์สีปัญญินทร์สีโดยในยะเดียวกันพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์ มีได้ยึดถือด้วยศรัทธาเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคแท้จริงคนเหล่าใดยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ทราบยังไม่กระทำให้แจ้งยังไม่มองเห็นด้วยปัญญาชนเหล่านั้นจึงจะยึดถือด้วยศรัทธาต่อคนอื่นในเรื่องนั้นส่วนคนเหล่าใดรู้เห็นทราบกระทำให้แจ้งมองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วคนเหล่านั้น ย่อมไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้นก็ข่าพระองค์ได้รู้เห็นทราบกระทําให้แจ้งมองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้นว่าสัตทินรีวิริยินรียสติินรีสมาทินสีปัญยินรียที่เจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะ มีอมะตะเป็นที่หมายมีอมะตะเป็นที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสสาธุสาธุสาวรีบุตรเพื่อสรุปความสำคัญและความดีเด่นของปัญญาขออ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญเพราะกระทำให้มากซึ่งอินทรีย์กี่อย่างหนาภิกษุผู้ขี่นาศบจึงพยากรอรหัตผลรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วสิ่งอื่นที่จะต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออยู่อีกเพราะเจริญเพราะกระทำให้มากซึ่งอินทรีย์อย่างเดียวภิกษุผู้ขี่นาศบย่อมพยากรอรหัตผลได้ อินทรีย์อย่างเดียวนั้นก็คือปัญญินทรีย์สำหรับอริยาสาวกผู้มีปัญญาศรัท ธ, ธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้วิริยาสติสมาธิอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้ อินทรอื่นๆคือศรัท ธ, ธาวิริยาสติสมาธิลำพังแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ดีหรือหลายอย่างรวมกันแต่ขาดปัญญาสิเพียงอย่างเดียวก็ดีไม่อาจให้บรรลุผลสาเร็จนี้ได้ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น โดยความใหญ่ชั้นใดบทธรรมะทั้งหลายอย่างใดๆก็าตามที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้บทธรรมะคือปัญญนสีเรียกได้ว่าเป็นยอดของบทธรรมะเหล่านั้นในแง่การตรัสรู้ชั้นนั้น